พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสี่ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าสอนสิงค์ารมานพบริหารคนต่อไปนี้คณะสัาาาทายาตโยมลูกหลานนั่งประจำที่ เมื่อต่อไปนี้พระสงฆ์จะอนุมโมธนาให้พรเมื่ออนุมโมธนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ฉันพระตาหารถ้าหาว่ามีไตยธรรมก็ถวายแล้วก็ต่อไปก็มีการประพรมพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายจะสวดชัยะมงคลคาถาแล้วก็ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ งานของเราขอเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ต่อนนี้ไปก่อนที่จะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมธนิยกถาปารบเรื่องงานของพวกเราในวันนี้ให้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพราะว่างานทกงานก็ต้องมี การปารบแล้ก็พร้อมกันถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าเป็นการเปลี่ยนรัชทาญาทหรือว่าเปลี่ยนสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราและก็พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเวลาผาส่์อนุโมทนาให้พรก็ขอ พวกเราน้อมจิตถวายเป็นพระราชนิพนธต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราด้วยนะวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้รับรูบทราบในประเทศชาติของพวกเราตั้งแต่วันที่30ตุลาพวกเราก็รู้สึกว่ามีความ สรดทุกในจิตใจเพราะร่มโพ ร, ร่มใสของพวกเราได้ล่มล่มคลอนลงพวกเราเป็นพระศกนิกรทั้งหลาย อ, าอยู่ในประเทศชาติก็ต้องต้องวันไหวอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถึงอย่างไรพวกเร า, เาในหลักของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ว่าท่านระดับไหนพระพุทธเจ้าของเรา เป็นบร ม, มครูเป็นพระ อ, อนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณห่อเหินเดินฟ้าดำดินบินบนแตกฉานทุกอย่างพระ อ, องค์็ยังละเลยสังขารและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่หลวงตาที่พวกเรารักเคารพก็ร้องรยตามอายุสังขารแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็อยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับพวกเรา เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วกับพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องรงรอยไปตามอายุสังขารอันนี้ไม่ต้องไม่ได้ว่าเอาความตายมาขู่กันหรือว่าเมียเพียงแต่ว่าบอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นเกิดมาในโลกแต่ที่ยังไงก็ตามขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีในหลักของพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้า คนทั้งหลายก็ถามว่าพระพุทธเจ้านี่มีแต่ตรัสหรือพูดหรือแต่แนะนําเรื่องความพ้นทุกข์เรื่องจิตวิญญาณแต่เรื่องการบริหารจัดการพระพุทธเจ้านี่แนะนําสั่งสอนไหมพรนะนี่แนะนําสั่งสอนเป็นไหมคือพวกคนในสมัยนั้นเขาก็ถามพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเราสยามผู้รู้ออว่า เราจะเน้นหนักที่จุดไหนอย่างไรจากนั้นพระองค์ก็แนะนําบอกกล่าวว่าการบริหารหรือ ว, ว่าการจัดการการเป็นอยู่ของคราวาสหรือว่าการเป็นอยู่ของพวกคราวาสญาติโยมทั้งหลายควรวางตัวอย่างไรแต่นี้อาตมาภาพเองก็อยากจะยกประเด็นที่ว่าพระองค์ยกประเด็นหนึ่งในมากมายหลายประเด็นที่พระองค์ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่จะยกประเด็นเรื่องสิงขาลมานบสิงขาและมานพมาให้กับพวกเราเป็นสาธกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพ่อลูกหลานในยุคสมัยใหม่ยุคนี้สมัยนี้อาจจะคนโบราณเขาบริหารจัดการอย่างไรลูกหลานทั้งหลายก็อยากจะควรจะให้รับรู้รับทราบว่าในครั้งพิธการในครั้งสมัยโบราณเขาบริหารขันเขาคิดอย่างไงเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของของคนในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบในยุคนี้สมัยนี้พวกเราบริหารจัดการอย่างไรมันเข้ากันได้ไหมหรือว่าไปคนละทิศละทางกันนี่พระพุรองก็ได้ตราสยกสิงค์ขาลมานพในครั้งพุทธกาลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลุกวัน วันหนึ่งพระ อ, องค์ได้นั่งสมาธิตอนจวนสว่างใกล้รุ่งก็เห็นสิงคาลมานพเข้ามาในข่ายหรือว่าในญานณทัศนะของพระพุทธเจ้าพระ อ, อ, องค์มองเห็นนะเออสิงขาลมานพเป็นผู้มีอุปนิสัยแต่ว่าการกระทำของเขาเขาของไม่รู้จริงเพราะในการกระทำของเขาเขาเป็นอยู่ด้วยศรัทธา ได้ฟังมาแล้วเขาก็ดำเนินการไปแต่มันไม่ถูกต้องวันนี้เราควรจะไปปลดเขาไปแนะนำสั่งสอนเขาให้เขารู้จักแนวทางจากนั้นพง ก, ก็คือประวัติของสิงคาละมานบเป็นลูกของเศรษฐีจากนั้น ผ, ผู้พ่อก็เลยส่งลูกชายไปเรียนเมืองตะกัศิลาสมัยในะเมืองตะกัศชลาเป็นเมือง เป็นเมืองวิชาความรู้ต่างๆถ้าว่าจบใครก็ตามจบวิชามาจากเมืองตักะศิลาแล้วแปลว่าเหยียบแผ่นดินกรเรืองแปลว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าทําไมนั้นแต่นี้เจฐีก็ส่งลูกชายไปเรียนเมืองตะกะซิลาเมืองตะกะศิล า, า, าก็คือเมืองทารีบันทุกวันนี้แหละเขาว่าอย่างนั้นนะเมืองทารีบันคือเมืองตะกะศิลาเก่า จากนั้นก็พอเขาไปเรียนแล้วก็จบวิชาบริหารจัดการกลับมาพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็ป่วยพ่อป่วยพ่อก็เลยเห็นลูกชายเขามาเลยสั่งเสียลูกว่าลูกเอ้ยพ่อคงจะอยู่ไม่ได้นานขอให้ลูกบริหารจัดการไปนะแล้วก็ให้ลูกอยากจะให้ถ้าว่าลูกต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการ การเป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้ลูกเคารพทิศทั้งหกนะลูกนะคาระวะทิศทั้งหกนอบนอบทิศทั้งหกคาระวะทิศทั้งหกถ้าลูกถ้าลูกปฏิบัติได้อย่างนั้นจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพ่าว่าตอนนั้นพ่อก็เลยได้จากไปเพราะพ่ อ, พ อ, อป่วยหนะักนะจากนั้นสิงขารและมาน ก, ก็เป็นผู้จัดการศพของ บิดาของตอนเองเรียบร้อยถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีจากนั้นสิงหาลามานุ ก, ก็ได้ฟังพ่อสั่งในว่าให้ถ้าหากว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการให้เครารพคารวะทิศ ท, ทั้ง6คือคํานี้แหละคารวะทิศ ท, ทั้งหกสิงหาลามานุกเขาก็คิดได้เลยว่าทิศ ท, ทั้ง6กก็คือทิศตะวันออก ทิศ ต, ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนท้องฟ้ากับทิตแผ่นดินลงในแผ่นดินแปลว่าครบหกพอดอีจากนั้นเขาก็มั่นใจอย่างนั้นจริงๆริพอจัดงานจบพ่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเขาเขาก็ไปกราบคารวะตอนเช้ามืดเราออกไปในทุ่งสนามจากนั้นเขาก็ยกมือไหว้ทิศ ต, ตะวันออก ยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือขึ้นบนอากาศแล้วก็ยกมือลงแผ่นดินแปลว่าคารวะครอบทิศทั้ง6กสองสามครั้งแล้วก็กลับบ้านมาทําการทํางานเขาทําไม่ได้ขาดฟ้าตกฟ้าร้องฝนตกหนาวอยังไงก็ตามเขาจะไม่เคยขาดเพราะเขาเคารพในคําสั่งของบิดาวัด ถ้าหาว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการแล้วให้เคารพขวะทิตทั้งหกคำนี้คือกล้องอยู่ในจิตใจของสิงขาลมานพแต่เขาทำผิดเขาทำไม่ถูกพระองค์เออเขาก็มีศรัทธาเราควรจะไปปลดเขานะ่จากนั้นพระองค์ก็ได้ออกบินทาบาทตอนเช้านะไปกับพระอ น, นุ์พระอ น, นุ์เป็นปัจชาสมณะคือเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจา้า ก็เดินตามหลังไปกับผ่านไปสิงคาลมานบสิงคาลมานบเ้ากรทําพิธีกรรมอย่างที่เขาได้ทําไหว้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตกเบื้องสูงเบื้องต่ำจากนั้นพระองค์ถามว่าสิงคาลมานบเธอทําอะไรสิงคารมานบก่กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะทําไมจึงไหว้เพราะพระพบิดาสั่งถ้าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการ แล้วให้กราบไหว้คารวะนอบน้อมต่อทิศทั้งหกนะลูกนะข้าพอ ก, ก็ได้ปฏิบัติตามเอ๋สิงขาละมานพเธอทาไปนี่นะไม่น่าจะถูกนะถ้าหากว่าตามโบราณนการที่เขาปฏิบัติมาน่ะเขาจะไม่ทำกันอย่างนี้นะเธออยากจะศึกษาไหมเธออยากจะรู้ไหมสิงขาละมานพเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วนะ ก็อยากจะรู้พระเจ้าค่ะเออถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟัง เ, เราจะเราจะบอกให้ฟังแนะนําให้ฟังพระองบอกว่าดูก่อนสิงค์ขาลมมานพทิศ ท, ทั้งหนั้นไม่ใช่ทิศอย่างที่เธอได้ได้คราวะกราบไหว้ทิศ ท, ทั้งหในโบราณการบัณฑิต ท, ท่านสอนกันมาท่านบอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยา ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสั ม, มณพราหมณ์ทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารอันนี้คือคนโบราณเขาสอนกันมาทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเมื่อเราเป็นบุตรของบิดามารดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่าน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 ไม่รู้จักสถานะของตนเองควรปฏิบัติตนอย่างไรในสามีภรรยา อ, อย่าทะเลาะวิวาทหรือว่า ท, ทําถิ่งที่มันออกนอกรู่นอกทางผิดกดระเบียบ ท, ทํามเนียมประเพณีอันนี้ก็คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นก็คือพ่อแม่ เป็นบุคลาจารย์เป็นบุตรเป็นอาจารย์คนคนแรกของบุตริดาจากนั้นก็เมื่อพ่อแม่สอนแล้วก็ส่งให้โรงเรียน อ, อ, อนุบาลปถมปมัธยมปริ ญ, ญัตตรีทอเอกล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดพวกเราเต้องได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาให้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัม ด้วยเรียนศิลปะวิทยากับครูบาอาจารย์อันนี้เขให้ความเคารพในอาจารย์เทิดเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีหมูมีเพื่อนมีพักมีพวกมีมิตรมีสหายถ้าว่าพวกเราเกิดมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเราจะดำเนินดำเนินกิจการงานได้ไปได้อย่างไรเพราะฉนั้นเรื่องมิตรสหายเป็นจริงสิ่งที่จําเป็นสําคัญเราอย่างไรมิตรสหายอย่างนั้นครบกันระยาณมิตรมิตรที่ดี อย่าไปคบปลาปลามิตรมิตรชั่วอย่าไปคบคบมิตรที่ดีถ้าได้มิตรดีแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะเกื้อกูลหนุนกันอันนี้คือทิศบืงซ้ายมิตรสหายเทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารเราก็ต้องดูลูกลูกแด ล, ลูกน้องบริวารเขามีสารถูกสุขติดอย่างไรเราก็ดูแลเขาเจ็บไข้เด็ป่วยไงให้อาหารและรางวัลเหมาะสมตามความเหมาะสมอันนี้ก็ให้มองเขา อันนี้คือคืด ค, คทิศเบื้องต่ําบ่าวลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมมณพราหมณ์คือส ม, มณพราหมณ์เมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องไปปรึกษาพารลในส ม, มณพราหมณ์มีความทุกข์อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรส ม, มณพราหมณ์ท่านจะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรส ม, มณพราหมณ์จะเป็นผู้บอกทางสู่สวรรค์ สิ่งที่เลวหรือสิ่งที่ดีให้กับพวกกุลบุตรได้ฟังนี่แหละสิงขาลมานุโบราณเขาสอนกันอย่างนี้นะอันนี้คือทิศทั้งหกทบทวนอีกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสนัมณพราหมณ์ถ้าหาว่าเธอปฏิบัติให้ถูกต้อง เราทิศทั้งหกแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าว่าเธอทำไม่ถูกนะมีเป็นทุนทางแห่งความจิ๊บหายอันนี้คนโบราณเขาสอนกันมาเพราะนั้นพวกเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานศรัทธาญาติโยบทุกงูเหล่าก็นี่แหละเป็นประวัติศาสตร์ที่ท่านยกขึ้นมาพวกเราก็ควรจะเอาเออมาเป็นตัวอย่างให้สำหรับพวกเราลงพ่อเองอามาภาพเองก็หวังว่า พวกท่านเรานำทำคำสอนออในพระไตรปิฎกเรื่องนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาแล้วนั้นนาเป็นมาเป็นกระจกเงาเรื่องมาเป็นแนวทางของพวกเราก็พวกเราคิดว่าคงจะเดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะ <c oughs> และก็พร้อมกันก็นกพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนนะสินห้าของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะทําเราไม่ต้องการให้เขามาทํากับเราเราก็ไปหยาดไปทําให้กับเขาอันนี้แหละคือศิลจรธรรมของพุทธะขอให้พรขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พระสงฆ์ได้มากูบาอาจารย์ได้มาจันพัฒทหารในท่านในบ้านของ ท่า น, นคุณโยมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพร้อมกันก็ให้อุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเพราะพวกเรามีพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาขนาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรนายเวร เออพวกเราในหลักของพุทธศาสนาเราท่านหัวตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเอ่อตายแล้วเกิดนะเออคำนี่แหละเอ่เนระียกว่าทีพระพุทองค์จะว่าปเุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุท ธ, ธะอ่าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรกวดน้ําอดทิศสวนกุศลหน้าที่นี่น้